ตัณฑาทุชนุัธบริษัทหลายๆได้ลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของเรื่องราวขาาองมโหสถบัณฑิตในวันก่อนในค้างไว้ตอนที่มโหสถจะทำอโอมงเขาย้อนต้นโดยสักนิดหนึ่งท่านกล่าวว่าวันหนึ่งมโหสถขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชเป่ีพระราชีเวส คำว่าพระราชวิเวกก็คือพระราชวังที่ประทับของพระราชายืนอยู่ที่เชิงเทินบันไดได้กําหนดว่าที่ตรงนี้จะทาาําอุโมงค์หมายความว่าอุโบสถจะทําอุโมงค์มาขึ้นที่นั่นแต่ก็อย่าต้องทําจะต้องไม่ทําให้มันได้มีสุดฟังให้ดีนะมันสมองเขาเป็นอย่างนั้น โอหันสถยังนึกถึงพระราชดำรัสของพระเจ้าจุลนีสมรทัดที่ทรงตรัสว่าให้เรารับราชการทํากิจที่ถูกที่ควรกับพระองค์แค่นั้นจะต้องไปกราบทูลในทรงทราบเพื่อปฏิบัติราชกิจกับพระองค์แล้วโอหันสดก็ขึ้นเฝ้าไปเจ้าจุลนีสมรทัดกราบทูลว่าขอฤชะ ข้าแต่พระองค์ผู้ปเปิดเิยข้าพระพุทธเจ้าขนาดนี้ขณะที่ขึ้นมาเป้าวันนี้ยืนอยู่ที่เชิงบันไดในจุดดูเห็นพื้นที่ตรงเชิงบันไดหน้าครัวจะุดแต่หากทรงเห็นชอบด้วยพระราชดำริข้าพระพุทธเจ้าจะทำให้มั่นคงแข็งแรงต่อไปพระพธเจ้าข้า ขณะตอนนี้ลูกหลานคนอยากฟังแล้วก็คิดว่าชนิดหนึ่งว่าการที่จะแนะนําอะไรกับผู้ใหญ่สมมติว่าบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายรับประยชการทํางานอยู่กับผู้บังคับบัญชาเวลาเห็นที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาทําไม่ถูกไม่ควร แต่ว่าการที่จะเข้าไปแนะนำท่านบอกว่าต้องทำอย่างนั้นที่ครับต้องทำอย่างนี้ทีครับอย่างนี้เป็นภยัย <c oughs> แทนที่จะมีความดีผู้บังคับบัญชาอาจจะคิดว่าเราดูถูกดูหมิ่นท่านจะกลายเป็นโทษทางที่ดีก็ต้องใช้วาทะอย่างเหมือนกับท่านที่มโหสถทำว่าที่ตรงนั้นกระผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอรับ แล้วถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้จะดีไหมเมื่อท่านพิจรารณาเห็นชอบโดยแล้วเวลาที่เรามาพูดกับชาวบ้านล้วคนอื่นก็จงย่าคิดว่านี่ที่ทำอย่างนี้เป็นความคิดของฉันนะเป็นความเห็นของฉันอยา่าไปพูดแบบนั้นมันเป็นอันตรายถ้คยาควรจะพูดว่านี่ท่านสั่งให้ทำแบบนี้เป็นความคิดเป็นความเห็นของท่านจะว่าเป็นความคิดความเห็นว่าท่านที่ถูกที่ควร อย่างนี้เป็นอันว่าเราไม่ลบหลู่ไม่ดูถูกผู้บังคับบัญชาในผลงานที่มันเกิดขึ้นมาก็เป็นผลดีเมื่อท่านดีเราก็ดีด้วยตัวท่านเองถ้ายังมีความรู้สึกว่าผลงานนี้ไม่เกิดจากเราแต่เราก็อย่าไปโฆษณาว่าเราดีถ้าเราโฆษณาว่าเราดีเมื่อไหร่นั่นแหละถ้าบอกก็ว่าผู้บังคับบัญชาของเรานี่ไม่เป็นเรื่องนี่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ทํา ไอ้ที่ทำดีก็มา น, นี่มันมีแต่เราจองอย่าลืมว่าผู้ใหญ่มีอำนาจกว่ามันก็เห็นว่าเราดูถูกดูหมิ่งเขาเราจะมีโทษคือความเดือดร้อนฉะนั้นเขามรดาลูกหลานที่รักฟังไปแล้วก็คิดด้วยว่าเขาทำแบบไหนความจริงมโหสดเป็นศัตรูกับพระเจ้าจุนนีธรรมทัตแต่ว่าเวลาที่ไปอยู่ในบ้านของศัตรู การที่แสดงท่าทางองอาจไม่กลัวกลับทําตนเป็นคนดีแบบนี้ประเทศเราก็ต้องระวังทุกๆคนก็ต้องระวังว่าคนที่เขาเข้ามาทําความดีกับเราเนี่ยก็เอาอยังงี้ก็แล้วกันเราจึงถือว่าคนทุกคนเป็นมิตรที่ดีสําหรับเราและก็ยังคิดไว้ด้วยว่าสักวันหนึ่ง เขาอาจจะเป็นภัยที่สําคัญสําหรับเราก็ได้เป็นอว่าคุยเรื่องของท่านต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าจนลนีก็รมทัตทรงอนุญาตหรือท่าทรงอนุญาตว่าเชิญเถิดเชิญเจ้าทําตามที่เจ้าเห็นสมควรคนแล้วกันสําเร็จงานนี้สําเร็จไปตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าพูดดีเป็นสีลรักตัวพูดชัว่วอป ร, ราชัย นี่ลีลาขอมโหสถต้องจำไว้งานทุกประเภทต้องใช้วาจาเป็นหลักท่านบอกพูดดีเป็นสีกบตัวพูดชั่วอปราชัยคนใจชั่วคนดีอยู่ที่ปากที่จะได้ย่ายหิวโหวยเพราะชิวหาเมาื่อมโหสถท่านบอกว่ามโหสถม่ได้รับพระรราชานุมัตจากว่าจะให้จัดทำแล้ว ยังไม่มาตรวจดูเห็นเหมาะที่จะต้องทำช่องอุโ ม, โมที่เชิงบันไดนั้นก็จริงให้คนงานนำบันไดออกแล้วก็แผ่นกระดานฝาปูไล่เขาไว้ <c oughs> เพื่อไม่ให้มีฝุ่นในที่ที่จะเป็นอุโมนมั่แหละแล้วบันไดามาพาดลงไปไว้ว่ามันนำบันไดาพาดตามเดิม เขามันก็ทํางานเนี่ยเาทำเสร็จภายในวันเดียวภายในวันเดียวก็เสร็จแต่คนงานทุกคนเนี่ยเป็นคนของมโหสถทั้งหมดสมัยนั้นพระราชาถ่าย า, านจะสร้างด้วยไม้มากกว่าเกาไม่ได้ทำดํำในตึกง่ายง่ายเวลาลุงขึ้นมโหสถได้เข้าเฝ้าพระเ จ, าจนน้าจุลนีกระโทนว่าข้าแต่พระองค์พระสรุดข้าพระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพร ะ, พ, ระพุติเจ้า เลือกหาสถ า, านที่เหมาะสมสําหรับเป็นที่ประทับของพระราชาของข้าพระพุทธเจา้าได้แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติให้เป็นที่พอพระรากษณ์ไทยของพระองค์ทีเดียวประจ้าค่ะพระเจ้าจะ น, นุลนีคิดว่าหมูเ ข, ข้ า, าวัดน่าเข้าเล้าหนึ่งตัวแล้วก็ช่างเถอะในเมื่อเขาย่นล่อหมูอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสําคัญเข้ามาหนุน อ, อยู่ในเล้า เพื่อเราจะเชื่อมาอะไรก็ได้เขาจะทำอะไรก็ตามใจฉะนั้นพระเจ้าจุนนีจุนิทงตัดว่วข้อมโหสถข้อจะเลือกดูกเถิดตามอธัธยาศัยนะชอบใจที่ไหนทำที่นั่นเราขอแต่พระราชนีเวทีที่อยู่ของเราเท่านั้นแหละที่จะอนุยากให้ทำไม่ได้นอกนั้นเลือกเอาตามชอบใจแมมดีจริงๆนะ แล้วก็จองเล่องตามที่ไหนคนบอกฉันนะถ้าใครเขาว่าอะไรแล้วก็บอกฉันฉันจะบอกเขาว่าฉันอนุญาตแล้วการที่พระเจ้าจุลนีรับสั่งให้ง่ายๆเช่นนั้นก็เพราะว่านึกว่าพระองค์เป็นต่ออยู่แล้วทำให้โมโหสถตายใจไงก็แล้งทำใมโหสถตายใจว่าไว้วางใจดูด้วยองใครจะตายกันแน่ใจตายใจและใจตาย แต่าหาู้ว้ว่าใครจะเหนือใครฟังไปหดีลูกหลานที่รักเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ในเวลาที่ทำงานอย่าทำการเอะมาเทิงอย่างที่ก็าทำกันมนแล้วอ้อนสุดกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันเนื้อที่ที่จะจัดสร้างที่ประทบเขาว่าราชาของข้าพระพุทธเจ้านั้น มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลข้าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ที่จะเศร้าที่ประทับอันมีที่เจ้าของปกครองผูเ้เดียวค่ะหรือถึงก็ต้องหรือบ้านหรือเรือนซึ่งเขาโปรกสร้างกันไว้ก่อนแล้วมันจะเป็นทําให้เจ้าของก็มีความลํำบากข้าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ใจ้เขาเหล่านั้นก็ต้องพักผ้า จ, จากที่อยู่ของเขาแม้ดีจริงๆนะ ดูเขาเป็นคนดีจริงๆน่ารักเพราะว่าเพราะว่าสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นมาทรัพย์สินนั้นตายครั้งเขาก็รักขเขาก็โหยงแหงหของเขาไปทําอย่างนั้นได้ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นภยัยในเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะขอพระราทาน์ว่าพระพระบ ร, ะรมราชานญาตเอาที่ระหว่างคงคากับพระนคร ืที่ในน้ำกับเมืองไปซึ่งจากจากที่นี้ไปราวสีย่ยอยู่นอกเขตพระนครสำหรับสร้างสถานที่ที่ประทับของพระราชาข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นการสมคนรประการใดหรือไม่สุดแล้วแต่จะทรงพระคุณาโปรดเก้ า, ถาเถอดพระเจ้าค่ะเจ้าจุลนีได้สงสนับ คือทรงฟังก็ทรงพอพระไทยรับสั่งอนไรว่าทันทีในเชิญตัดว่าเจ้าประถนาที่นั้นก็จงจัดการในตามความประสงค์เถิดแหมดีใจนะเขาไม่รบกวนชาวบ้านไม่ทำให้พระองค์เสียนใจดีไม่ดีไปรื้อบ้านเขาขยด่าเอาหาว่าพระราชาอยาจะได้ลูกเขยแล้วก็เอาใจลูกเขยเกินไป <c oughs> การที่ทรงญาตให้ทันทีเช่นนั้ น, นกเ็เพราะทรงเห็นว่าการรบถ้ารบกันภายในเมืองก็เป็นการลาบากถ้าทหารนี่เอาต่อสู้กันก็ไม่รู้กว่าฝ่ า, ายไหนเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเราถ้าการรบภายนอกเมืองเป็นการง่ายจะได้ไม่ต้องฆ่ากันตายเองภายในเมืองเห็นไหมล่ะแบบเมืองเราเวลานี้ก็เหมือนกันมันยุ่งทั้งนอกเมืองและในเมือง ไปว่าหัวสดไดรับก็ได้เริ่ม ง, งานตามแผนการของตนต่อไปโดยกราบทูลว่าขอเดชะการสร้างพระราชนิเวศสำหรับพระราชานะสำหรับเป็นที่ประทับครั้งนี้จะต้องใช้คนจำนวนมากและคนเหล่านั้นล้นมาจากเมืองอื่นถ้าใครในเมืองนี้เข้าไปในที่ที่กำลังทำการก่อสร้าง จะเที่ยวไปหรือจะไปในจิจุระก็ตามอาจจะเกิดทะเละวิวาทกันขึ้นได้ซึ่งจะทําทให้พระองค์ต้องวุ่นวายพระไถยไปด้วยจะหมดความสําราญส่วนพระองค์ไปฉะนั้นในเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์อยากได้รับพระบรมราชโองค์การขอพระองค์ทรงออกประกาศ ห้ามมีคนในเมืองเข้าไปในที่ที่สถานที่ทำการก่อสร้างนั้นโดยเด็ดขาดไปเลยค่ะอ้าหนึ่งช้างของข้าพระพุทธเจ้า <c oughs> เอาคอมาดีกแล้วถ้าหนึ่งช่างของข้าพระพุทธเจ้าชอบเล่นในน้ํา แต่แ ว, ว่าทําน้ําขุนชาวเมืองจะกล่าวหาโทษว่าข้าพระพุทธเจ้าทําความเลอะเลอนแก่เจบ้บรรดาชาวเมืองเหล่านั้นเรื่องน้ำํำอาจจะร้องดีกาในออกร้องดีกาทูลถวายพระองค์ข้าพระองค์ทรงนับดีกานั้นไว้อย่าทรงกลิ้วข้าพระพุทธเจ้าโดยพระเดจ้า <c oughs> <c oughs> ขาคอไม่ดีนะ <c oughs> ที่นี่เห็นไว้น่ะเขาฉลาดพอเขาเาคนของเขามาทำเขาจะทาโอโมถ้ามันเป็นความลับเขาก็ขอพรซะก่อนแล้วคนของเขาพร้อมแล้วขอให้คนหนึ่งบางนี้เข้าไปโยกใเหมนไหมซึ่งความฉลาดความฉลาดแบบนี้นั้นลูกหลานต้องจำเล่าเรื่องต่อไปว่าเจ้าจุนนีสตดัดว่าเจ้าจมปล่อยช้างของเจ้าให้เล่นน้ําในน้ําตามสบายเถิด และรับสั่งให้ประกาศกำบรรดาชาวเมืองเขาอ ง, งว่าขอประกาศให้ชาวเมืองสร้างทั่วกันผู้ใดเข้าไปในเขตที่ก่อสร้างเมืองของม โ, โหสถผู้นั้นจะถูกปรับหนึ่งพันกระหัวันะเท่ากับสี่พันบาทในสมัยนั้น <c oughs> ถ้าสมัยนี้ประมาณสี่แสนบาทแล้วก็จะเอามาแล้วเอาหมายประกาศนั้นไปติดไว้ที่ต่างๆเพื่อให้ชาวเมืองได้ทราบ เโหสุดถวายบังคมลาพระเจ้าจุลนีาพาผู้คนต้นมาจากกรุครเตรียมการสร้างเมืองในสถานที่ที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าจุลนีแล้วก็เริ่มสร้างบ้า น, นเริ่มสร้างบ้านชื่อให้ชื่อบ้านนะชื่อว่าคัคคัคคลิคัคคัลิราม ไอ้คัคคิคามไอ้คามแบบบ้านถ้าบ้านคัคคีนี่ฮะที่ริมฝั่งคงคาฝั่งโนนจักช้างมารถแล้วก็โคไว้ไปจําที่บ้านนั้นเมื่อสร้างบ้านคัคคิคามเสร็จแล้วจึงเตรียมการสร้างเมืองโดยแบงหน้าที่กันเป็นฝ่ายๆเริ่มโดยการขุดอุมโมง์ก่อนประตูตอุมโมง์ใหญ่ ยูล่นฟังง่งคงคาใช่คนประมาณหกพันคนขุดอุโมงเห็นไหมมันกายกกันไปมากนะความจริงนี่มันไม่ใช่กองคนเขาไปเป็นกองทัพใหญ่เอากรวดทรายที่ขุดออกมานั้นปฐมพื้นที่เห็นไหมในเวลานี้ที่เขาทาอมงอมงกันเขาทาแบบนี้ไอ้ความฉลาดในการทําอุโมงเขาทํานานแล้ว เอากรวดเอาทรายที่ขุดมาจากอางโมงเราทำเป็นพื้นที่มาหริ่มจะทาเมืองระถมที่นะมาทำเมืองบ้างแล้วก็มบบสองกับน้ำพอเข้ากันดีก็เป็นกาแพงบ้างแล้วก็ทำอื่นอีกหลายอย่างตามที่เห็นสมควรทางประตูเข้าเมงใหญ่ด้านหนึ่งอยู่ทางในเมือง ประกอบไปด้วยประตูคู่มีเครื่องยนต์สูสงสิบแปดตอกสมัยนั้นก็มีเครื่องยนต์แล้วไม่ใช่สมัยหินแต่สมัยเหล็กคนมีปัญญามีเครื่องยนต์สูสงสิบแปดตอกไอเครื่องยนต์เนี่ยคืาอะไรท่านทราบไหเมื่อเหยียบหรือว่ากดสลักอันหนึ่งเมื่อกดแล้เหยียบเขาแล้วประตูก็ปิด เหยียบหรือกดสลักอีกอันหนึ่งประตูก็เปิดทจ้าสองข้างของโมงใหญ่ไอ้นี่ก็เป็นเครื่องแบบมอเตอร์เขาเวลาเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเป็นลวดลายหนึ่งคือวิธีการหนึ่งที่เขาทํำในสมัยนั้นคือว่าไม่ต้องผลักเพีกดสลักประตูเปิดกดสลักประตูปิดคนละอัืเอก่อเลยอิดหรือปูเนี่ย ข้างบนปูด้วยไม้ใช้ดินเหนียวแน่เลยยาอุดตามช่องด้วยสีขาวประตูทั้งหมดเลงโมมีประตูทั้งหมดแปดสิบประตูนะมีประตูใหญ่นะแปดสิบประตูแล้วประตูเล็กหกสิบสี่ประตูแต่ละประตูมีเครื่องยนต์ประกอบเมื่อเหยียบหรือกดสลัก อันหนึ่งประตูทั้งหมดก็เปิดเหงียบหรือก็สลักต้องการให้ปิดประตูก็ปิดเป็นว่าทั้งสองข้างขโคโมมีคมไฟมากกว่าหนึร้อยดวงคมไฟเหล่านั้นปิดและเปิดด้วยเครื่องเพื่อปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันก็คือกระแสไฟฟ้านี่เองเห็นไหมล่ะ เป็นอันว่ไฟฟ้าในเบร์ลินเขาทำงารได้นานพวกเราเนี่ลืมตาราเดิมเสียถ้าไม่ลืมตาราเดิมเราก็เก่งกว่านี้มากห้องมันทมของพระราชาร้อยเอกพระองคมีอยู่สองข้าวโมมีเครื่องลาดไว้ในห้องในห้องมันทมทุกห้องหมายความจากเครื่องเฟอร์นิเจอร์พร้อมสวยสดงาม สถานที่วัทัพแต่ละแห่งมีเสวิกเฉดกันแล้วก็แต่ละที่วัทัพมีรูปสตรีทำด้วเส้นป่านสวยงามอย่างยิ่งตั้งอยู่แม่นี่ขันไหนเขาบัาเลื้นสตรีตัวจริงไม่มีเอาหุ่นก็ยังใช้ได้นะไอหุ่นนี่โดยมากก็ใช้กับกลาสีเรือที่เดินทะเลนี่ทำหุ่นนี้เพื่อพระราชาทำสตรีสวยๆมองแล้วก็ชื่นใจนะ คิดอะไรอ อ, อกคิดออกอย่างเดียวอยากจะไปเล่าบโลมแล้วก็หากไม่เอามือเข้าไปจับต้องรูปคำรูปนั้นก็จะไม่รู้เลยว่ารูปนั้นไม่ใช่คนเป็นเป็นหุน่นที่ทำเก่งจริงๆทำหุ่นดูแล้วสภาพเหมือนคนนั่งคอยปฏิบัติแต่เวลาที่เขาเชิญระราชาเราเอิกเข้าไปหน้ากูจะนำไปกลางคืนถ้าไปกะาวันจะสังเกตง่ายแม่นิกเก่ง ทำยังไงเราจะหาสร้างปัจจุบันทำแบบนี้ได้เพราะเราทำเห็นหุ่นแล้วมันก็เป็นหุ่นแต่ม่นั่นหุนถ้าไม่จับจะไม่รู้เลยว่าคนว่าเป็นคนเห็นไหมนี่อย่าดูถูกคนโบราณนะไอ้ความจริงเวลาในวิชาความรู้ของโบราณนะเน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยเรานี่สูญหายไปเยอะ ล, ง, ลงเหล็กเหนียว เป็นมีดยาวดึงจากปลายมาจุดด้ามได้ปล่อยไว้ตรงล้งปูงเคยมีใช้มีประเพื่อนี่รับแล้วไม่รู้จักคม <c oughs> แล้วเวลาฟันรู้สึกวันเดินดีมากรายการนี้สเหล็กแข็งเรื่งทางมันก็สันเคยได้ก็บอกหนูเก็บอกเปิดมันแข็งมาก <c oughs> เครื่องทำลายเหล็กไม่สามารถจะทำลายได้จึิง้งหลายแล้วนี่คนไทยเรามีความรู้ แล้วความรู้นี่ตอนสูญหายไปเขาเราะว่ากำลังกำลัาของเราก็สูญเสียไปเพราะาพระม้าเผาเมืองที่พูดนี่ไม่ได้พูดให้เครืองพระมา้าไม่ก็จงจําไว้ว่าจะชักน้ําเข้าลึกอย่าชักสศึ์เข้าบ้านอย่าคิดว่าคนอื่นเข้ามาเป็นเจ้านายเรามันจะนของประเสริฐการที่จะครองเมืองโดยเอาพี่เอาวงศ์คุคนอื่นเป็นผู้บังคับบัญชา เราจะต้องปฏิบัติตามเขาทุกอย่างในที่สุดเราก็ตกอยู่ในสภาพเป็นทาสฉะนั้นขอลูกหลานที่รักทุกคนถ้าใครเขาไม่ชวนว่ารัฐที่นั่นดีรัฐที่นี่ดีโจยยถือรัฐทิเป็นสำคัญรัฐทินั่นดีทุกรัฐิี่เว้นไว้แต่คนในรัฐที่นั่นมันจะดีแ้่จะเร็วเท่านั้นมย่าว่าเท่เขาราปกครองแล้นราชธิบตไตมันนาน เราก็เป็นเอกลักษณ์ได้เรามีความสุขเวลา น, นี้เราเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยของไทยนจะให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนชาว บ, บ้านเสมืองเขาไม่ได้แขกเขากินอาหารอย่างหนึ่งเจ๊ ก, ก, กินอาหารอย่างหนึ่งฝรั่งกินอาหารอย่างหนึ่งคนไทยกินอาหารอย่างเนี้ยรสชาติไม่เสมอกันฉะนั้นอารมณ์ชอบทางการประพึ่งปฏิบัติมันก็ไม่เหมือนกัน ประชาชนที่ประเทศไทยต้องเป็นแบบไทยๆ ไ, ไม่ใช่ลอกแบบฝรั่งถ้าลอกแบบเขาา้ามาทำไมไม่เลอกเข้ามาให้หมดอย่างสภาผู้แทนราษฎรของเขานี่เวลาไปชมสมัยไปชมเขาไปชมกันทุกวันไม่มีวันเว้นไม่เปกินเงินชาว บ, บ้านปเปล่าๆแล้วผู้แทนราษฎรของเขาก็มาพร้อมกันแล้วก็ปัญหาที่มีการถาม แค่เพราะรัฐมนตรีจต่โซนใดแต่โเนหนึ่งท่นที่่วนนั้นไปแต่กระทรวงเดียวอย่างขอกเรานี่ไปรวมกันนัง่งเพิ่เสียเวลาการงานเวลาสมัยว่าชมรัฐมนตรีไม่มีอันที่จะเป็นดูงานดูการกันละแต่เป็นนั่งหลับสงบ ก, กันอยู่ที่นั่นแหละเขาถามใครถึงไม่ถามตัวตัวก็ต้องไประบบนี้มันน่าจะเลิกเสีย ดูตัวอย่างอังกฤษเขาที่เขาเป็นเมืองแม่แะระบบประชาธิปไตยที่มีพระราชาเป็นบรมุขอย่างนี้ขอลูกหลานทุกคนถ้าบังเอิญมีโอกาสจะพึงทาได้ทาตามนั้นและโดยเฉพาะอย่างยี่ยงงายงา น, นการะทรวงต่างๆเขาไม่บรหารกระทรวงไปโทษเส้นรัฐมนตรีมีหน้าที่เฉพาะรักษานโย บ, บายเท่านั้น งานอย่างนี้มันไมยกูการนี้รัฐมนตรีมัน้าเส้นน่ะเราเสียคะแนน ม, มากแล้วเพราะคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ตามถ้าไม่ชํานายงานไม่รู้งานมา ก, ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาผู้แทนมาสันดอดเราเป็นรัฐมนตรีตามปกติแกเข้าไม่รู้แกเสินอะไรมาบ้างมาถึงแล้วมไม่รู้งานมันก็โถต้นถกสมอันนี้ท้องผัไม่เห็นด้วย ที่ไม่เห็นด้วยนี่นไม่จะพูดส่งเด็ดก็พบกันแล้วบางท่านไม่มีความรู้เลยได้เป็นรัฐมนตรีขึ้นมาก็ไปเอาใครมาทำนิิวิทยานิพนธ์แทนนัดนำมาต่อทำอย่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านไม่ไปงานนี่แค่บอกฮ้อ oh, อันนี้ดีเอาเข้ามาเป็นปรรจารย์สวงปรรจารย์สวงคนเก่าขัดเข้าไปที่อื่นเสีย พอนิสิตเองงานมันก็เกิดเป็นผลประโยชน์กับท่านประหลัดกระทรวงคนใหม่คือเมียบุญเมียบุญหมยว่าตระกูลผัวจะเป็นประหลัดกระทรวงจะเป็นลมทุกวพนก็นับเงินไม่ไหวไม่ใช่เงินเดีอนนะมันเป็นเงินดาวที่หาได้มันโดยไม่ชอบทำเรื่องรัก ท, ที่การปกครองเนี่ไม่มีความสําคัญจะเป็นการปกครองแบบรักที่อะไรก็าช่างขอให้คนใน นั้น ล, ลัทธิที่ฝ่ายบริหารให้ดีก็แล้วกันหรือว่าข้าราชการทุกคนดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยกฎข้อบังคับในหน้าที่ของทางราชการและขอบรรดาประชาชนทุกคนดีรรเคารพระเบียบประเพณีและกฎหมายวิ น, นัยเท่านี้มันก็ดีไปหมดจะเป็นลัทธิอะไรมันก็ได้ไม่สําคัญเราเป็นไทยดีกว่าเป็นชาต เพื่อนต่อไปว่าหนึ่งพวกช่างเขียนที่สามารถจัดเจนก็มี้วาดภาพลุ้นแล้วแต่เป็นภาพที่วิจิตรการตาต่างๆว้ได้สองข้างของมหาอุมโมงคนเขนภาพสลักเอ่อเป็ยนภาพสลักนะเป็นภาพเท้เ า, ส, นะาสักกะเทวราชคือรูปกขพปอินภาพเขาพระสุนพระสุมเมรนภาพของเขาบริพันธ์ แล้วก็มหาสาครและทวีทั้งสี่ภาพป่าหิมพานแล้วภาพสาโนดาศภาพดวงจันทร์ภาพดว ง, งอาทิตย์ภาพชาติมหาราชเป็นต้นแล้วภาพทั้งหลายเล่านี้เมื่อมองแล้วรู้สึกว่าเป็นเหมือนของจริงอย่างสานนดดาดำมองและเห็นเป็นสัตว์ย่าเจนเดินอวันิสัคคิดว่าเป็นยางนั้นนะ่ะ สัรนแลข้างบนอมงตามช่องต่างๆทำด้วยดอกบัวห้อยไว้อย่างวิจิตการตาแม้สวยจริงๆทางสองข้างมีร้านขายของต่างๆขายข้านานาชนิดแต่แมมนท่ร้านมีพูมาไลยห้อยหอมตลบอบอวนทั่วบริเวณององนั้นปรากฏเป็นหนังว่าเทพรสภามันก็เหมือนกับเทพรสภาที่ประชมุมเทวดาโอ้โหเก่งไว้ มีลงทุนกันอย่างมากสำหรับนายช่างสามร้อยคนที่มโหสถึงต่อเรือบรรทุกก็ได้ต่อเรือสำเร็จเปแล้วสามร้อยำและบรรทุกทัพประสัมภาระที่จะประกอบให้เป็นรูปสำเร็จแล้วแล้วก็มาตามทางน้ำนำไปมอบแก่มโหสถโดยไม่พร้อยทาไม่ร้อยจริงๆ โมหิสดเล่นนำทัพอสัมภาระทั้งหลายเหล่า น, นั้นไปเป็นเครื่องประกอบไอ้ทัพอสัมภาระเป็นของใช้ใช้ในการสร้างเมืองเมื่อขนสินค้าคือทัพอสัมภาระออกจากเรือหมดจะให้นำเรือไปจอดไว้ในที่มิชิดปกปิดเนี ป, ปิดไว้ไม่ให้คนภายนอกได้มาเห็นแล้วก็สั่งคนประจําเรือว่าท่านทั้งหลายจงนําเรือมาในวันที่เราสั่ง เป็นเว่าคุยพลนลูกหลานที่รักมองเวลาเข้าเช่นหยุดคนดีไหมายกำลังจะอร่อยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาลูกหลานที่รักก่อนและบรรดาญาโยเขาบริ ษ, ษัทที่กำลังและฟังขอขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่สถานีทุกท่านที่ให้โอกาสและขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลเจ้ามีเจ้าหน้าที่สถานีทุก ขนและบรรดาญาโยมพุทธวิษัุทุกข์ท่านที่รักทุกท่านสวัสดี